พระมหาโกธิตาก็ถามต่อไปในหน้าสอง้อยแปดสิบห้าว่ า, าท่านครับอายุสังขารก็อันนั้นอายุสังขารคือชีวิตตินซีเนี่ยนะชีวิตตินซีที่หล่อเลี้ยงชีวิตนี่ก็อันนั้นสิ่งที่พึงรู้ก็อันนั้นคือเวทนิยธรรมหมายถึงเวทนาเนี่ยนะสิ่งที่จะสวยอารมณ์เนี่ยก็อันนั้นหรือ หรือว่าอายุสังขารก็เป็นอันอื่นเวทนิยธรรมสิ่งที่เสวยเวทนาได้ก็เป็นอันอันอื่นภาษาริบุตรก็บอกว่าหาไม่ได้หาไม่ไดอ้อายุก็อย่างหนึง่งเวทนิยธรรมสิ่งที่เสวยอารมณ์ก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกาันอวุโสถ้าอายุสังขารก็เหมือนก็เป็นสิ่งเดียวกันกับเวทนิยธรรมการออก ของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานโรธก็จะพึงปรากฏไม่ได้เอางี้ก่อนถ้าหากว่าร่างกายเนี่ยชีวิตร่างกายกับนามมาทำเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะถ้าเข้านิโรธสมาบัติก็จบดับหมดเลยก็แปลว่าตายนิโรธสมาบัติก็แปลว่าตายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพ อ, อผู้ที่ดับสัญญาเวทายตาเนโรธเนี่ยนะคือเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยอายุสังขารยังเหลืออยู่ แต่เวชนิยธรรมสิ่งที่พึงรู้อันหมายถึงเวชนิยธรรมอ่ะสัญญาและเวทนาดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อทําสัญญาและเวทนาให้เกิดขึ้นอีกอายุสังขารก็ยังเป็นไปต่อไปอผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ตายแต่เพียงแต่ดับเวทนานี่นนะดับสัญญาและเวทนาก็คือดับจิตเจตสิกได้หมดพระมหาโกธิตาก็ถามต่อไปอีกว่าท่านพระสารีบุตรครับเมื่อไรหนอ สิ่งกี่อย่างจึงจะละร่างกายนี้ไปแล้วตอนนั้นร่างกายนี้ก็ทอดทิ้งถูกวางนอนเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟื้นแปลว่าในร่างกายของเรานะดับอะไรสิ่งกี่อย่างดับไปแล้วตายแงแก่เลยเหมือนท่อนไม้เน่นอนเหมือนกันเถอะใครจะไปเผาไปฝังก็ตามใจเธอเนี่ยนะไม่เสียใจหรอกไม่ห่วงร่างกายหรอกเหมือนกันเหมือนอะไรบอกว่าเหมือนกับเคยตัดผมไหม ตัดผมทิ้งไปแล้วเนี่ยนะเคยไปอะไรเอาวอนกับเส้นผมที่ตัดไปแล้วเคยถอนฟันออกไปไหมแล้วไปเอาหมาเอาไปทําอะไรก็เอาไปทําเถอะอะไรเงี้ยนะคืออะไรที่หลุดไปจากกายแล้วหมายความว่าร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้ามันแบบดับไปทั้งหมดเลยดับอะไรเนาะหรืออะไรเนี่ยจากกายนี้ไปแล้วไม่มีตากอะไรจากท่อนไม้เลยเอาไปทําอะไรก็เอาไปทําเถอะเอาไปปิ้งเอาไปเผ า, าไปย่างอะไรก็ได้หมดแหละภาษารีบุตรก็บอกว่ า, ว า, วาเมื่อสามสิ่งนี้เนี่ยนะสิ่งสามอย่าง athlete. คืออายุ คือชีวิตินทรซีไออุณเตโชธาตและวิญญาณและร่างกายนี้ไปเมื่อ น, นั้นก็ถูกทอดทิ้งวางไว้เหมือนกับท่อนไม้ที่ไรจิตใจเนี่ยนะเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนอะนะอย่างที่พระท่านจะสวดนะจะสวดว่าอจิรังวัตยังกาโยปเทวิงอธิเสสติชุดโธอเปตวิญญาโนนิรัตังวัคลิงคารังเนี่ยนะบุก ไม่นานเนาะร่างกายนี้ไม่นานเนาจักนอนทับซึ่งแผ่นดินบุคคลเมือ่อวิญญาณปราศจากไปแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเนี่ยนะถ้าตาเนี่ยนะถ้าจักขูวิ ญ, ญญาณเลิกเกิดแล้วมันก็หมดสภาพแล้วใช่ไหมหูถ้าโสตวิญญาณเลิกเกิดจมกูกถ้าคานะวิญญาณเลิกเกิดลิ้นถ้าชิวหาวิญ ญ, ญาณเลิกเกิดกายถ้ากายยะวิญญาณเลิกเกิดหะไทยทั้งหลายร่างกายทั้งหลายเป็นเลิกเป็นที่อาศัยของจิตแล้วเนี่ยนะแล้วก็เมื่อจิตดับ อายุก็ดับชีวิตินทรียีดับไออุ่นเตโชธาตก็ดับมันก็ต่างอะไรจากท่อนไม้ท่อนฟืนทีก็แปลว่าคนตายนะคนตายไม่มีอายุอายุก็สิ้นแล้วไออุ่นเตโชธาตก็ไม่เหลือแล้วเนี่ยนะหมดความอุ่นในร่างกายแล้วแล้วก็วิญญาณจุติจิตก็ทำกิดเสร็จแล้วไม่มีจิตแล้วในขณะนั้นที่นี้พระมหา ก, กธิตาถามว่า แล้วมันต่างกันยังไง ร, ระหว่างคนที่ตายกับผู้เข้านิโรธสมาบัติต่างกันยังไงนะต่างกันด้วยหรือคนตายกับคนเข้าพระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติภาษารีบทก็บอกมันต่างคือคนที่ตายแล้วเนี่ยนะเครื่องปรุงแต่งสังขารคือลมหายใจเข้าออกก็ดับ วาจีสังขารคือสัญญาและเวทนาก็ดับอายุคือชีวิตินทรีก็หมดสิน้นไออ่นคือเตโชาธาตุในร่างกายก็หมดสภาพอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายก็พังทลายหมดใช่ไหม คนตายเนี่ยนะกายสังขารก็ไม่มีคือลมหายใจไม่มีแล้วเนี่ยนะวจีสังขารคือสัญญาเวทนาก็ไม่มีอายุคือชีวิตตินสีเตโชธาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เหลือแล้วหมดสภาพเนี่ยนะเหมือนหุน่นคีพึ่งแล้วล่ะทีนี้สําหรับผู้ที่เข้านิโรสัญญาเวทายตานิโรธหรือนิโรสมาบัติเนี่ยนะท่านบอกว่ากายสังขารคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยดับนวจีสังขารคือ ว จ, จีสังขารคือสัญญาแล้ววิตกวิจารเนี่ยดับจิตตสังขารคือว จ, จีสังขารคือวิตกวิจารเนี่ยนะจิตตสังขารคือสัญญาเวทนานีน่ยดับหมายความว่ากายสังขารว จ, จีสังขารจิตตสังขารของพระอาหารหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยดับแต่อายุท่านยังไม่หมดไออุ่นท่านก็ยังไม่ดับอินรียห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายกลับผ่องใสเป็นพิเศษ เนี่ยนะไม่ได้ทำให้ตาท่านเศร้ามองหูหูเสื่อมเสียมหมดสภาพไม่ตาเนี่ยจะดียิ่งขึ้นพ่องใส ย, ยิ่งขึ้นจมูกก็ดียิ่งขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นความแตกต่างกันระหว่างคนตายกับผู้ที่เข้าสัญญาเวทายตานิโรธนะ คือคนตายเนี่ยนะสังขารสามเนี่ยดับหมดกายสังขารว จ, จีสังขารจิตตะสังขารก็ดับอายุชีวิตตินรีก็ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็หมดสภาพเนี่ยนะเรียกว่าคนตายส่วนผู้เข้านิโรธสมาบัติอายุไม่หมดเตโชท่าร่างกายก็ยังอบอุ่นตาหูจมูกลิ้นกายกลับพิเศษแต่กายะสังขารคือลมหายใจดับว จ, จีสังขารคือวิตกวิตกวิจารดับจิตตะสังขารคือสัญญาเวทนาก็ ดับก็แปลว่าเน้นพิเศษก็คือร่างส่วนของร่างกายไม่มีลมหายใจส่วนของจิตเจตสิกนี้ดับหมดสิน้นปัญหาท่านก็คนเขานิโรธสมัยก่อนเนี่ยนะไม่มีคัมภีร์ให้อ่านเนี่ยนะจะ ต, ต้องอาศัยอะไรคนคนที่ตอบสิ่งเหล่านี้ได้คือคนที่เข้าเข้าปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ทำได้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะพระมหากธิตาก็ถามปัญหาต่อไปอีกว่าปัจจัยอะไร ปัจจัยแห่งการเข้าถึงเจโต ว, วิมุตติที่ไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุขนี่มีเท่าไหร่คําถามข้อนี้หน้า400หน้า503เอ่อข้อไม่ใช่คําถามนี้ข้อ503หน้า286เป็นการถามถึงเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะถามพิเศษอะไรบ้างการปัจจัยแห่งการเข้าถึงเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะมีเท่าไหร่ ภาษารี่บทก็ตอบได้ทันทีบอกมีสี่อย่างอาบุโสปัจจัยแห่งการเข้าถึงเจโตวิมุต ท, ที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยนะภิกษุในศาสนานี้หนึ่งละสุขสองละทุกสามละความดีใจ4ี่ดับความเสียใจละห้าเข้าถึงฌานที่สี่คือเนวะสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยนะที่ เป็นอทุกข์มสุขเนี่ยนะเป็นอุเบกขาแต่มีสติที่หมดจดคุณปัจใจสี่อย่างเหล่านี้แหละเป็นการปัจจัยที่ทําให้เข้าถึงเจโตวิมุตต์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เรียกว่าปัจจัยที่ทําให้เข้าเนวสัญญาณนาะสัญญาญตนาเนี่ยนะต้องละสุขละทุกข์ดับโสมนัสดับโทมนัสออกไปก่อนเนี่ยนะแล้วก็เป็นดํารงอยู่ด้วยอุเบกขามีสติบริสุทธิ์อันนะัอันนี้ก็รอกต้นจะเข้าเนวสัญญาเนี่ยนะ เพราะว่าคำว่าฌานสี่บางคนก็บอกว่าฌานที่4ีฌานที่4เนี่ยหมายถึงฌานที่4เนี่ยหมายถึงจตุทัชฌานถ้ารูปฌานหมายถึงจตุทัชฌานในอรูปฌานทั้งหมดนั้นเป็นระดับจตุทัชฌานเนี่ยนะอรูปฌานจริงๆก็อยู่ในระดับจตุทัชฌานเพราะมีองค์สองเหมือนกันเนี่ยนะต่างกันที่การก้าวล่วงที่นี้ปัญหาต่อไปพระมหาโกธิตาถามอีกว่าก็ปัจจัยแห่งการเข้าถึงเจโตวิมุติ อันหานิมิตไม่ได้คิดว่าอั น, นิมิตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยมีเท่าไหร่อันนี้ปัญหาอันนี้ปัญหาแบบนิโรสเข้าพร ะ, ะสมมาบัติแล้วหมายความว่าผู้ที่ออกจากฉนิโรสมมาบัติหมาย ว, ามว่าออกจากหมาย ว, ามว่าจิตเจตสิกเกิดขึ้นแล้ว อ, อันนั้นเป็นอรหัน ต, ตผลจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานที่ที่ไม่มีนิมิต สังขารอนิมิตเป็นต้นเป็นอารมณ์เลยเนี่ยมีเท่าไหร่ก็แปลว่าผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติเขาจะทําอย่างไ้ว่าชั้นแรกเนี่ยนะก็จะเจริญทั้งสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปพอไปถึงอากินจัญญายาตนะก็ออกจากอากินจัญญาญตนะก็อธิฐานว่าจะเข้านิโรธสมาบัติกี่วันแล้วก็เข้าถึงเนวสัญญาณา ส, นะสัญญาญตนะพอเนวสัญญาณสัญญายาตนะเกิดขึ้นดับไปเนี่ยนะที่เหลือจิตเจตสิกจะดับเลย ตั้งใจไว้เช่นดับไว้เจ็ดวันหรือห้าวันก็ก็จิตเย็นเสร็จก็จะดับประมาณห้าวันหรือเจ็ดวันหลังจากนั้นเนี่ยนะพอจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นหลังจากดับนั้นคืออรหัตตะผลจิตอรหัตตะผลจิตอันนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เพราะมหาโกธิตาก็เลยถามถึงอรหัตตะผลจิตหรืออนาคามีผลจิตของผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยนะว่า ปัจจัยแห่งการเข้าถึงเจโตวิมุตต์อันหาเครื่องหมายมิได้มีเท่าไหร่ไม่ใช่ถามฌานสมาบัติธรรมดาแต่หมายถึงการถามโนนอรหัตผลสมาบัติที่ขณะออกจากนิโรสมาบัตินั่นแหละภาษาริบบทก็ตอบว่าสําหรับปัจจัยแห่งการเข้าถึงเจโตวิมุตชนิดไม่มีเครื่องหมายหรือที่เรียกว่าอานิมิตตเจโตวิมุตเนี่ยมีสองอย่างสองอย่างคือ 1. อธมนัสิกานไม่มนัสิกานนิมิตทุกชนิด ะนะไม่มีการมณสิการนิมิตคือรูปเสียงตริโนโรถโพธภะไม่มีมณสิการนิมิตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะนิพพานไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องไม่มณสิการไม่มณสิการในขันอายตะนะธาตุธรรมดาทั่วไปสนใจอนิมิตธาตุเรียกว่ามณสิการะอนิมิตธา ต, ตุก็คือมณสิกาแต่ธาตุที่ไม่มีเครื่องหมาย มนิพ้านนั้นไม่มีเครื่องหมายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปัจจัยสองอย่างนี่แหละคือหนึ่งไม่มนสิการนิมิตสองมนสิการอนิมิตคือนิพานนี่แหละเป็นปัจจัยแห่งการเข้าถึงเจโตวิมุตต์หรือพะละสมาบัติหลังจากที่ออกจากเนวะหลังออกจากนินโรธสมาบัติ ทีนี้คําถามต่อไปอีกว่าแล้วปัจจัยแห่งการดํารงอยู่ในอ า, อานิมิตาจีโตวิมุตต์เนี่ยนะหรืออรหัตอรหัตผลสมาบัติเนี่ยมีเท่าไหร่คือคือขณะที่ชาวันอภะสมาบัติวิถีเนี่ยนะมีนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยภ拉萨มาบัติที่มีนิพานเป็นอารมณ์ดํารงอยู่ในนิพานมีนิพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเนี่ยปัจจัยที่มันทําให้ตั้งอยู่อย่างนั้นมีเท่าไหร่พระมหาปฏถิตภาษาริบุตรก็ตอบว่ามีสามอย่าง สามอย่างเนี่ยแหละเป็นตัจจัยทําให้ดํารงอยู่ในเจโตวิมุตติที่ไม่มีเครื่องหมายหมายถึงการเข้าพระสมมาบัติสามอย่างคืออะไรหนึ่งไม่มนสิการนิมิตทุกอย่างอ่ะมนสิการในนิมิตทุกชนิดคือสังขารนิมิตขันอายตนะธาตุไม่ต้องมนสิการ์สักอย่างสองมนสิการ์ธาตุที่ไม่มีเครื่องหมายคือมนสิการในนิพานแล้วก็อย่างที่สามก็คือว่า ความตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเขาร ก, การตระเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าว่าครั้งแรกที่จะมีพระสมาบัติเป็นอารมณ์เนี่ยตั้งใจว่าจะมีพระราสมาบัติเป็นอารมณ์เนี่ยเท่าไหร่คือกี่ชั่วโมอ ง, มงกี่นาทีก็ว่ากันไปแล้วแต่ความตั้งใจแต่แรกแต่แรก ต, ร ต, ต, ระะตั้งใจไว้ว่าจะเข้าพระสมาบัตินานนานเท่าไหร่เพราะนั้นตั้งอ่าเขาเรียกว่าตั้งใจไว้ก่อนตอนแรกว่าจะเข้าพระสมาบัติสมมุติหนึ่งชั่วโมองเพราะฉะนั้นก็ ไม่มนสสการนิมิตมนสสการในนิพพานก็จะดำรงอยู่หนึ่งชั่วโมงสมกับความตั้งใจอันนี้เป็นปัใจจัยให้ดำรงอยู่ในเจโตวิมุตติที่หาเครื่องหมายไม่ได้หมายถึงพระสมมาบัตินั่นเองนี้คำถามเกี่ยวกับพระผาเรกเจ้าที่ออกจากพระสมมาบัติเนี่ยนะออกจากพระสมมาบัติพระมหาโกธิตะถามว่าปัจจัยแห่งการออกออกคือวุฒฐานะเนี่ยนะ บุตฐานะการออกจากเจโตวิมุตต์อันไม่มีเครื่องหมายหรือการออกจากพะละสมาบัติเนี่ยมีกี่อย่างพระสารีบุตรก็บอกว่าปัจจัยที่ทําให้ออกจากเจโตวิมุตต์ที่ไม่มีเครื่องหมายหรือออกจากพะละสมาบัติมีสองอย่างสองอย่างคืออะไรหนึ่งสนใจเครื่องหมายแปลว่ากลับมาสนใจรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญากลับมามีนิมิตเครื่องอารมณ์อีกครั้งหนึ่งอย่างคือกลับมามีนิมิต ก็คือแบบพวกเรานี่แหละมาเห็นมาได้ยินมานึกใสใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยนะก็กลับมารับรู้อารมณ์ปกติแล้วก็เลิกสนใจนิพพานเนี่ยนะเรียกว่าไม่ไม่มนสิการานิพพานมามนสิการสังขารแทนปัจจัยสองอย่างนี่แหละเป็นเหตุให้ออกจากพระสมบัติก็คือคิดเรื่องขัน น, นะไม่คิดเรื่องนิพพานเหมือนกันนะออกจากนิพพานไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์อันแล้วของเราอะก็คิดถึงนิพพานไม่คิดถึงคํามาได้ คิดถึงคํากับคิดถึงสภาวะาคนละอย่างกันเนี่ยนะอย่างเอ่ยชื่อเนี่ยนะอย่างกขาบอกว่าคนไม่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจา้าเนี่ยเวลาพูดถึงพระพุทธเจา้าก็คิดถึงชื่อว่าพระพุทธเจา้าแต่ถ้าคนที่เขาเคยเห็นหน้าเขาก็นึกถึงหน้าจริงๆอ่ะนะก็คือคืออันนี้เป็นความต่างกันนะว่าคนที่เห็นจริงกับคนที่เรียกชื่อไม่มเหมือนกันหรอกเนี่ยนะนะส่วนคําถามอันอื่นอีกเนี่ยหมายคำถามโ น, น้นอปมัญญาเจโตวิมุตต์อากินจัญญาเจโตวิมุตต์ แล้วก็สุญญาตาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะอนิมิตาเจโตวิมุตต์เนาะคถามระดับสูงทั้งหมดเนี่ยก็คงไว้ตอนบ่ายนะวันนี้ก็โหฟังเรื่องมรรคผลในปรารถนาบรรลุเลยหรือเปล่าน้ะเนี่ยนะฟังลแล้วแหมมันอยากจะได้เหลือเกินเนี่ยดีแท้เนี่ยนะหรือฟังลแล้วแหมยากแท้เนี่ยนะก็ดูว่ายากยากหรือว่าอยากได้ก็ต้องมาดูเอาตรงนี้ว่าฝักไฟที่จะมีสิ่งเหล่านี้จริงไหมก็อยู่ที่พวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระเริยกเจ้าทั้งหลายได้ตรัสรูมม้มรรคผลนิพพานเราได้เนี่ยนะ ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นได้เชน่นใดขอเราทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมกุศลธรรมทั้งมวลที่เราได้สั่งสมแล้วก็จงเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุตรัสรู้ธรรมตามพระเรียเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นเถอะตอนนี้ใช้เวลาเท่านี้ก่อน